มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาปฐมวัคเทวทัตตาปัปพชิตะปัญหาที่สามถามว่าพระพุทธเจ้ากอเพื่อพระกรุณาและเป็นสัพพันยูเหตุไรจึงบวชพระเทวทัตให้ทำสังฆเภท ราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามพระนาคเสนว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาตุมเหพานัทะพระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับโยมว่าพระสัพพัญยูจเจ้าเป็นองค์พระมหากรุณาสแสวงหาสิ่งที่จะให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์นิกรเทวดา ทรงพระอนุเคราะห์แก่สัตว์นิกรเทวดามนุษย์ชายหญิงจริงหรือพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจริงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบ่อพิษพระราชสมภารเออจริงกระนั้นแหละสมเด็จพระสัพพันยูทรงพระมหากรุณาอนุเคราะห์แก่สัตว์สมเด็จพระเจ้ามิลินมีพระราชองการตรัสถามว่าพันเตนาคเสน ข้าแต่พระนาคเษนผู้เป็นเจ้าพระเทวทัตนี้ใครบวชให้ยะถาภูตังพนาหิจงบอกแกโยมแต่ที่จริงพระนาคเษนมีเทระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารอิเมชะขัตติยาอันว่ากษัตริย์มหาศาลพระองค์ทรงพระนามว่าพัิยกุมารผู้หนึ่ง อนุรุตธกุมานผู้หนึ่งอานนทักุมารผู้หนึ่งภักขูกุมารผู้หนึ่งกิมพิละกุมารผู้หนึ่งเทวทัตตกุมารผู้หนึ่งเป็นคํารบหกเจ็ดกับทั้งอุปาลีกลบกเมื่อสมเด็จพระบรมโลกกนาชเสด็จออกสู่พระมหาพิเนสกรุมสําเร็จแก่พระโพุทธญาณแล้วก็พากันมาสู่สํานักพระศาสดาจารย์ เพื่อจะบวชตามสมเด็จพระพุทธองค์ผู้ทรงพระภาคเป็นอันงามก็ทรงพระมหากรุณาบวชให้พระเจ้ากรุงมิลินจึงมีพระราชองค์การสักถามว่าก็นี่แหละพระผู้เป็นเจ้าพระพุทธองค์รู้หรือไม่ว่าพระเทวทัตบวชเข้าในศาสนาแล้วจะกระทาสังฆเภศอันลักขณะจะกระทาซึ่งสังฆเพศกรรมนี้ บุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งคือพระภิกษุนี้คือกุลบุตรไปศึกษาเล่าเรียนจะบวชในาศาสนาก็ดีสมมเนนสมเนรีก็ดีมิอาจที่จะกระทำสังฆเพศได้จะกระทำสังฆเพศได้แต่ภิกษุมีปกตาตคืออันสงไม่ได้ยกวัดมีสังวาสอันเดียวกันร่วมกันตั้งอยู่ในเสมา อ, อันเดียวกัน นี่แหละพระผู้เป็นเจ้าพระเทวทัตนั้นจะกระทําสังฆเพศนี้พระพุทธองค์รู้หรือว่าหาไม่ได้พระนาคเกษนประกอบไปด้วยปรีชาอันดีมีเทระวาจาว่ามหาราชขอถวายผ่อนบอพิษพระราชสมภารพระพุทธองค์ทรงทราบอยู่ว่าพระเทวทัตบวชเข้าแล้วจะกระทาสังฆเภศ สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอคงการถามว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้วิเศษบุคคลกระทำสังฆเพศนี้บาปกรรมอย่างไรพระนาคเษนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบุคคลกระทำสังฆเพศนี้กบปัตทิติกังไปทนทุกข์อยู่นานประมาณกันหนึ่ง พระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอคงการตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาสมเด็จพระมหากรุณาเจ้ารู้หรือไม่ว่าพระเทวทัตบวชเข้าแล้วจะกระทําสังฆเภทจะไปไม่อยู่ในอวิจีมหานรกนานประมาณกันหนึ่งชนนีพระนาคเษนมีเถระวาจาว่า มหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระาศาสดาจารย์รู้อยู่ว่าพระเทวทัตบวชเข้าแล้วจะกระทําสังฆเภทแล้วจะไปตกอวิจีทนทุกขเวทนาอยู่ประมาณกันหนึ่งขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรมีสุนทรราชองค์การถามว่าพันเตนาคเสนะ ข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาสมเด็จพระมหากรุณาเจ้ารู้อยู่ว่าพระเทวทัตบวชเข้าแล้วจะกระทำสังฆเพทกรรมแล้วจะไปตกในอวิจีไม่อยู่นานประมาณกันหนึ่งพระองค์รู้แล้วบวชเทวทัตเข้าไว้จะว่าสมเด็จพระพุทธเจ้านี้ทรงพระมหากรุณากรไรยได้คำที่พระผู้เป็นเจ้าว่าไว้ ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นองค์พระมหากรุณานำเสียซึ่งโทษทําให้เป็นประโยชน์แก่ฝูงสัตว์ทั้งหลายคํานี้ผิดไปถึงจะแก้ไขว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าไม่รู้เท่าว่าเช่นนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นพระสัพพันอยู่ปัญหานี้ชื่ออุพะโตโกติเป็นสองเงื่อนอยู่มาถึงพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าจงวิสัชนาแก้ไขปัญหานี้จงทำลายเสียซึ่งคำเดรถีประรับประวาทอันจะมีปรากฏมาข้างอนาคตการเบื้องหน้าประการหนึ่งพระภิกษุจะยิ่งด้วยปัญญาวิสัชนาเหมือนหนึ่งว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่มีพลังปฏิกิเตหิเหตุดังนั้นพระผู้เป็นเจ้า จงแสดงซึ่งกําลังปัญญาแห่งพระผู้เป็นเจ้าในการบัดนี้พระนาคเสนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ประเสริฐสมเด็จพระบรมครูเจ้าเป็นองค์สัพพันยูสารพัด ท, ที่จะรู้สัพพะทสสาวีสารพัด ท, ที่จะเห็นเป็นองค์พระมหาการุณาจริงๆขอถวายพระพร สมเด็จพระอนาวรณยานเจ้าใช่ว่าจะบวชพระเทวทัตเข้าไว้เปล่าๆหาไม่ได้พระองค์ทรงพิจารณาเห็นคติของพระเทวทัตว่าจะไปทนทุกขเวทนาอยู่ในนรกขุมนี้จากนารกขุมนี้จะไปไหมในนรกขุมนั้นแล้วก็จะไปเป็นเปรตอสุรกายจำพวกนั้นแล้วจะมาเป็นเปรตอสุรกายจำพวกนี้ นับนานประมาณหาที่สุดไม่ได้ถ้าพระเทวทัตเป็นครือหัดนี้จะกระทากรรมเป็นบาปหยาบชาตาทารุมร้ายกาศจะไปตกนรกอยู่นานประมาณดังวิสัชนามาแล้วไม่รู้ว่าจะพ้นทุก์เมื่อใดสมเด็จพระบรมไตรโลกนายกทรงพิจารณาเห็นว่าถ้าพระเทวทัตบวชเข้าในพระศาสนานี้จะกระทาสังฆเภท ไปทนทุกขเวทนาอยู่ในอวิจีมหานรกนานประมาณกันหนึ่งน้อยเข้าชนี้พระองค์จึงบวชพระเทวทัตเข้าไว้หวังว่าจะให้เสวยเวทนาน้อยขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีสุนทรมรราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาถ้ากระนั้นตกว่า สมเด็จพระมหากรุณาเจ้านี้ตั้งโปทยิตวาตีพระเทวทัตแล้วก็ทาด้วยน้ํามันพลักเทวทัตนั้นให้ล้มแล้วพระองค์อุ้มพยุงกายฆ่าพระเทวทัตให้ตายแล้วกลับกลายให้เป็นคนใหม่ให้พระเทวทัตเป็นทุกข์แล้วกลับให้เป็นสุขสวัสดีชะนี้หรือพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนถวายพระพรต่อไปเล่าว่ามหาราชะ ดูราณะบ่อพิษพระราชาสมภารสมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้านี้กรุณาแกพระเทวทัตเหมือนพระราชาองค์การตรัตชนี้อันสมเด็จพระมหากรุณาแล้วก็มีความกรุณาแกสัตว์ทั้งหลายย่อมกำจัดเสียซึ่งโทษนำมาซึ่งประโยชน์แกสัตว์ทั้งหลายนี้เป็นประมาณพระราชาสมภารจงทรงพระสวนาการฟังซึ่งอุปมาเถิดมหาราชะ ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐเปรียบดุลบิดามารดาอันกรุณาแกบ่บุตรตีบุตรของอัตมาหวังว่าจะให้ละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นโทษให้ถือเอาสิ่งซึ่งอันเป็นประโยชน์ฉันใดสมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถก็เหมือนกันกับบิดามารดาที่กรุณาแก่บุตรของอัตมาเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายจะมีความเจริญ ด้วยประกอบการสิ่งใดก็ประกอบการสิ่งนั้นมีพระไัยหมายมั่นแต่จะให้คุณสิ่งเดียวแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นความจริงชนี้สมเด็จพระพิชิตมานเมาลีเจ้าทรงพินิษพิจารณาเห็นชัดว่าพระเทวทัตนี้ใจสาหัสขิหฮีภูโตถ้าเป็นคฤหัสถราวาสนี้จะกระทําแต่กรรมอันเป็นฝ่ายบาปหยาบช้าหนาไปด้วยกรรม กรรมนั้นจะนำไปทนทุกขเวทนาอยู่ช้านานประมาณมากกว่าแสนกันเหตุฉชนนี้จึงทรงพระมหากรุณาบวชพระเทวทัตคือพระองค์เจ้าดำริว่าพระเทวทัตบวชเข้าในพระศาสนาตถาคตนี้ถึงจะกระทํากรรมประการใดก็ไม่ไปทนทุกขเวทนาอยู่ช้านานถึงจะไปทนทุก ก็พอจะมีกำหนดสิ้นทุกได้หนักก็จะกลับเป็นเบาขึ้นอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเจ้าจงทรงพระสวนาการปริยปานดุจบุรุษอันมีอิสริยยศประกอบด้วยสติปัญญารู้ว่าญาติมิตรผู้คนเบาพราของอัตมาอันกระทำกรรมอันหยาบช้าเป็นโทษหลวง เอาตัวมาทุบตีเสียบรรดาโทษจะหนักกลับเป็นเบาขึ้นได้ด้วยอำนาจวาสนาของอัตมายะถามีครุวนาชันใดสมเด็จพระบรมโลกานาจ้าก็เหมือนกันเห็นว่าพระเทวทัตเป็นขราวาสอยู่จะกระทำบาปหยาบช้าจะไปไหมอยู่ในนรกหลายแสนกันเห็นว่าพระเทวทัตนี้ แม้บวชเข้าในพระศาสนาแล้วก็จะเบาบาปลงพระองค์ก็บวชพระเทวทัตให้ด้วยพระพุทธวิสัยอันอาจสามารถจะให้บาปบรรเทาเบาลงด้วยทรงไวซึ่งศีละคุณสมาธิคุณวิมุตติยานะคุณเป็นกำลังดุดดังราชบุรุษอันมีวาสนานั้นขอถวายพระพรอีกประการหนึ่งเล่า ดูรานะบพิษพระราชสมภาราเจ้าดุดแพทย์ผู้หนึ่งเยียวยารักษาไข้หนักให้เบาขึ้นด้วยกำลังโอสดยาพิเศษของอาตมายะถามีอุปมาฉันใดสมเด็จพระบรมโลกระนาจ้าเห็นว่าพระเทวทัตจะทนทุกขเวทนาอยู่นานหลายแสนกันหวังจะให้น้อยเข้าสมเด็จพระพุทธองค์เจ้า จึงบวชให้พระเทวทัตกระทาให้ทุกอันหนักเบาขึ้นด้วยยาอันวิเศษคือพระศธรรมเหมือนหมอรักษาซึ่งโรคอันหนักอย่างโรคอันหนักนั้นให้เบาขึ้นด้วยยานั้นสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าโปรดพระเทวทัตบรรดาจะเสวยทุกขเวทนาหนักให้เบาขึ้นชะนี้จะมีโทษหรือณพระราชสมภาร สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์มหาศาลมีพระราชค์การตรัสว่าพันเตค่าแต่พระผู้เป็นเจ้าโดยที่สุดลงมาเหมือนหนึ่งจะกระทำให้สัตว์ที่ทนทุกข์อันหนักหนาให้เสวยทุกน้อยเข้าสมเด็จพระมหากรุณาเจ้าจะมีโทษมากว่าเท่ารูดน้ำนมโคก็หาไม่ได้ประกอบด้วยพระคุณมากนักหนา พระนาคเษนมีเถระวาจาว่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารพระบรมบพิษพระราชสมภารจงรับเอาคําของอัตมานี้ไว้เถิดว่าสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าผู้ประเสริฐให้พระเทวทัตบวชเข้านี้มีประโยชน์หาโทษมิได้เป็นคุนนี่นักหนามหาราชาดูราณะบพิษพระราชสมภาร เปรียปานดังบุรุษชายผู้หนึ่งจับโจรอันกระทำซึ่งกรรมอันหนักพาไปสู่สำนักบรมกษัตริย์บรมกษัตริย์จึงตรัสบังคับบัญชาสั่งเพชฌฆ า, าตว่าสู้ชาวเจ้าจงเอาโจร น, นี้ไปประหารชีวิตเสียที่หัวตะแลงแกงนอกพระนครเตตะถาปฏิสุนิตตว่าส่วนว่าเพชฌฆ า, าตนั้นก็นำเอาโจร น, นั้นไปภายนอกพระนคร สู่หัวตะแลงแกงตำแหน่งข้านั้นยังมีบุรุษข้าราชการผู้หนึ่งพระมหากษัตริย์โปรดประทานพรไว้แล้วให้ยศถาบรรดาศักด์ด้วยมีความชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งบุรุษผู้นั้นก็ยิ่งมีเมตตาแก่คนจนอนาถาอาเทยวาโจมีถ้อยคำควรเชื่อถือได้ทิศวาครันทัศนาการเห็นโจรนั้นก็สงสาร จิงว่ากับนายเพชชฆาตว่าดูราณะนายเพชชฆาตท่านอย่าตัดศีรษะโจรนี้ให้ตายเลยจงตัดแต่มือตีนซ้ายขวาอย่าเพื่อให้ตายเราจะเข้าเฝ้าทูลอธิบายขอชีวิตโจร น, นั้นไว้ส่วนเพชชฆาตก็กระทำตามคำราชบุรุษนั้นนี่แหละบอพิษพระราชสมภารบุรุษข้าราชการสั่งให้ตัดตีนสินมือโจร น, นั้น รักษาชีวิตโจรนั้นไว้ให้มีชีวิตอยู่นี้จะผิดเป็นทุจริตมีโทษหรือบอบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าบุรุษข้าราชการนั้นสั่งด้วยกรุณาโจร น, นั้นจะถึงที่ตายกรุณาคิดถ่ายเอาชีวิตโจรนั้นไว้จะได้มีโทษหาไม่ได้นะผู้เป็นเจ้า จนนั้นเล่าได้เสวยเวทนาด้วยกรรมอันตนกระทำโจรกรรมและบุรุษข้าราชการสั่งให้กระทานั้นหาโทษมิได้พระนาคเซนประกอบด้วยปรีชาจึงถวายพระผนว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมมาโลกุตามาจารย์ก็เหมือนกับบุรุษข้าราชการนั้นมาทรงพระดำริว่า ถ้าพระเทวทัตบวชเข้าในพระศาสนาของตถาคตจะมีกำหนดที่สุดพ้นทุกจึงบวชพระเทวทัตไว้ในพระศาสนาซึ่งว่าพระเทวทัตจะกระทำให้ทุกมีที่สุดนั้นคือเมื่อจะถึงแก่ความมรณะอันใกล้จะตายนั้นพระเทวทัตละเลิกถึงคุณสมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งด้วยพระคาถาดังนี้ อิเมหิอัตถิหิตามัคะปุกขลังเทวาติเทวังนรธรรมสารถิงสมันตะจักขุงสตตะปุญญลักษณะนงังปาเนหิพุทธังสารนังอุเปมิอธิบายในคาถาว่าข้าพเจ้าขอถึงพุทธังซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าสตตะปุญญลักษณะนงังอันมีลักษณะเกิดขึ้นด้วยบุญได้ละล้อย สมันตะจักขุงมีพระจักขุเห็นไปในธรรมใหญ่น้อยโดยรอบครอบทุกสิ่งนรธรรมาสารถิงอันทรมานเสียซึ่งคนใจร้ายเหมือนนายสารถีอันทรมานพาชีให้เสียพยศอันร้ายเทวาติเทวังอันประเสริฐกว่าเทวดาอักขะปุกขลังอันหาบุคคลจะอุดมกว่ามิได้ประกอบไปด้วยพระคุณอันยิ่ง สระรังเป็นที่พึ่งปาเนหิด้วยชีวิตทั้งมังสะโลหิตในกายกระดูกทั้งหลายถาวายแก่พระองค์จนสิ้นและเมื่อแผ่นดินมาสูบเอาไปนั้นพระเทวทัต ย, ยกหัดสองตั้งเหนือสีโรตร้องถาวายชีวิตด้วยพระคาถาชนีดูรานะบวพิษพระราชสมภารในพัฒกานนี้แบ่งเป็นส่วนแผ่นดินให้เท่ากัน ปันออกได้หนึ่งส่วนโดยนานช้ากว่าพระเทวทัตจะไปอยู่ในอวิจีมหานรกนั้นปัญจกโกฏฐาเสในส่วนกันทั้งห้าส่วนเท่านั้นครั้นพระเทวทัตจุติจากอาวิจีมหานรกมาจะได้ตรัสเป็นพระปัจเจกะโพธิทรงนามชื่อว่าอติสระปัจเจกะโพธิโปรดเวนยยัยสรรพสัตว์ทั้งปวง แล้วจะเข้าสู่มหานิพพานในการนั้นมหาราชคขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระาศาสดาจารย์เมื่อทรงพระมหากรุณาโปรดถึงเพียงนี้กิญจิปุญญตกว่าสมเด็จพระพิชิตมารโมลีโทษจะมีจีรือบอพิษพระราชสมภารจะว่าสมเด็จพระพิชิตมาร แกล้งให้พระเทวทัตไปตกอวิจีมหานรกหรือณมหาบ่อพิษสมเด็จพระเจ้ามิลินวิจิตด้วยปรีชามีพระราชโอการตรัสว่าถ้าฉะนั้นแล้วสมเด็จพระสัพพันย่บรมครูเจ้าโปรดจะมีโทษหาไม่ได้พระเทวทัตไปทนทุกข์ด้วยกระทำสังฆเพทกรรมที่ตนกระทำไว้เองพระนาคเสนจึงมีเถระวาจาว่า มหาราชะดุราณะบพิทพระราชสมภารจงทรงสันนิฐานเข้าใจความนี้สำปฏิจฉาหิจงรับเอาอัดเนื้อความนี้ไว้แล้วจงทรงฟังเหตุให้วิเศษกว่านี้เถิดบอพิทพระราชสมภารปานดุดหนึ่งบิดามารดาอันกรุณาแก่บุตรของอัตตมาว่ากล่าวพร่ำสอนบุตรอันเกิดในอุทรของอัตตมา ว่าให้กระทําอย่างนี้ดีสิ่งนี้ชั่วอย่าได้กระทํอาอหิตังอปเนตวานํานเสียซึ่งโทษให้กระทําซึ่งสิ่งอันเป็นประโยชน์อันจำเริญเมื่อบุตรหากจะกระทําล่วงล้ําก้ามเกินไปตั้งใจแต่กระทําบาปกรรมลามกบาปกรรมอัลามกจะวกมาได้แก่บิดามารดาหรือมหาบพิษสมเด็จพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ตรัสว่าหาไม่ได้ ใช่ว่าบิดามารดาไม่อีนางชังชิงเมื่อไรบิดามารดาก็พร่ำสอนทุกสิ่งว่าอย่างนั้นอย่ากระทาเมื่อบุตรหากกระทาบาปกรรมเกินไปก็ได้เสวยวิบากบาปนั้นและบาปกรรมนั้นจะได้แก่บิดามารดาหาไม่ได้นะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกษณจจริงถวายพระพรเล่า ว, ว่ามหาราชะดุรานะบอพิษพระราชสมภาราเจ้า ความที่เปรียบนี้ฉันใดเล่าสมเด็จพระพิชิตมานโมลีเจ้าพระองค์บวชพระเทวทัตเข้าไว้ในบวรพุทธศาสนาใช่ว่าจะชิงชังไม่อีนางไม่เทศนาสั่งสอนหาไม่ได้เมื่อพระเทวทัตไม่ฟังหากจะดื้อดึงกระทําสังฆเพทกรรมก็ได้ไปเสวยกรรมวีบากเองนั้นสมเด็จพระสัพพันญู บวชให้หวังพระไทยจะให้สำเร็จหิตานุหิตะประโยชน์มีอุปนิสัยให้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพระโธดโปรดฝูงสัตว์แล้วสำเร็จพระนิพานในอนาค ต, ตการเบื้องหน้าซึ่งกรรมโทสานุโทษสิ่งใดจะมีแก่สมเด็จพระพิชิตมารมูลีหาไม่ได้อุปมาเหมือนบิดามารดาอันกรุณาแก่บุตรของอาตมานั้นนี่แหละ บพิษพระราชสมภารสวนาการฟังแล้วจงรับเอาไว้จงฟังเหตุไปใหม่เล่ามหาราชะขอถวายพระพรบรพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ประเสริฐในสมบัติมหาศาลพิงสโกเปรียบปาลประหนึ่งว่าหมออันเยียวยารักษาโรคทั้งหลายอันเกิดแต่วาตะสมุทฐานปิตะสมุทฐาน เสมหะสมุทฐานและเป็นวีสมะปริหารและเป็นสันนิบาตและฤดูแปร ى, และพองพุบาทแผลมีกลิ่นอันเหม็นร้ายเหม็นโขงเป็นโพรงภายในมีโลหิตและบุบโภไหลชุ่มนั้นจึงใส่ ย, ยารักษาพอกทาเข้าไว้ที่แผลตอนจะพา่าตอนจะตัดที่ควรจะบังคับด้วยเหล็กและมีดพระ ก็เจาะเชื่อดด้วยเหล็กและมีดพระควรนที่จะชะด้วยน้ำเกลือก็ชะด้วยน้ำเกลืออันแสบโรคนั้นก็หายไปจะว่าหมอนั้นกระทำไม่ดีเพราะตัดเชื่อด้วยมีดและแย่ชัยทิ่มแทงด้วยเหล็กแล้วเอาน้ำเกลืออันแสบมารดบาดแผลกระนั้นหรือประการใดพระเจ้ามิลินปินกษัตริย์ว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าคนไข้เจ็บ จะโทษเอาหมอนั้นไม่ได้หมอรักษาเพื่อว่าจะให้โรคหายให้กายนั้นเป็นสุขสำราญมหาราชขอถวายพระพรบอพิทพระราชสมภารพิงสะโกหมอนั้นสันลักกันโตเมื่อมาเยียวยารักษาให้โรคหายดังนี้จะมีโทษหรือพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดี มีพระราชโอคงการว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าหมอนั้นกระทําเพื่อประโยชน์จะให้โรคหายเป็นสุขโสดจะมีโทษหามิได้ถ้าหมอนั้นตั้งใจจะเอาบุญมิได้เห็นแก่อามิตรสินจ้างนั้นจะได้ไปสวรรค์พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกษณจจริงถวายพระพรว่ามหาราชะดูกระพระราชะสมภารความที่เปรียบมานี้ มีครุวนาชันใดสมเด็จพระบรมไตรโลกนาตศสาศสตราาจารย์เจ้าพระองค์บวชพระเทวทัตเข้าไว้ในพระาศาสนาด้วยความการุณามีอุปมาเหมือนหมอรักษาไข้นั้นอันหนึ่งมหาบาพิษพระราชสมภารจงทรงสนาการเหตุอันหนึ่งยิ่งกว่านี้มีขรุวนาดุ ด, ดังว่าบุรุษหนึ่งน้ำยอก บุรุษผู้หนึ่งปรารถนาจะเอาหนามออกจึงเจาะผ่าด้วยหนามแหลมด้วยมีดอันคมกล้ารอยบาดแผลนั้นมีโลหิตไหลลงโสมซาบบุรุษผู้นั้นจึงชักเอาหนามที่ยอกออกได้จะว่าบุรุษผู้นั้นกระทาไม่เป็นคุณหรือพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิดินมีพระราชโอการตรัสว่าบุรุษกระทาดังนี้โสด หาโทษไม่ได้กระทำทั้งนี้หวังจะให้โรคหายถ้าว่าบุรุษผู้หนึ่งไม่บ่งเอาน้นานั้นออกได้บุรุษผู้นั้นจะเป็นทุกเวทนาสาหัสแทบบรรดาตายพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาราชดูราณะบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมโลกุตามาจาร์บวชพระเทวทัตไว้ด้วยพระไทยกรุณา แม้นว่าพระองค์ไม่บวชพระเทวทัตไว้พระเทวทัตก็จะไปม่อยู่ในนรกแล้วแล้วเล่าได้หลายแสนกันมีครุวนาดุดบุรุษอันช่วยเอานามออกนั้นพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้จำเริญปรีชาพักวาสมเด็จพระสัพพันยูเจ้านี้ มีกรุณาบรรดาเทวทัตจะวิบัติลอยไปตามกระแสคงคาก็อุ้มพระเทวทัตทวนคงคาบรรดาพระเทวทัตจะหลงมันคาสมเด็จพระมหาการุณาชี้มันคาให้บรรดาพระเทวทัตจะตกเหวลงไปพระองค์ก็ทิ้งเชือกลงไปให้หน่วงขึ้นมาบรรดาพระเทวทัตจะหาที่พึ่งไม่ได้ก็ให้ที่พึ่งแก่พระเทวทัต อัดอันนี้บรรพชิตผู้อื่นเว้นพระผู้เป็นเจ้าไว้ผู้ใดถึงจะฉลาดก็มิอาจแก้ปัญหานี้ได้ในการบัดนี้เทวทัตตประพชิตตปะปัญหาเป็นคำรบสามจบเท่านี้